1.24 สต้องมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมมูลอริยมรรคถึงจะเกิดวงเล็บเปิด16พฤศจิกายน2549ในวงเล็บสองจุดจุดนาที19เกวงเล็บปิดจิตต้องตั้งมัน่นเป็นคนรู้คนดูพวกเราหลายคนทำกรรมฐานมากมายนะแต่สงสัยว่าทำไมไม่เกิดมากผลนิพพานตัวจริงเพราะมันไม่มีปัญญานั่นเองไม่มีปัญญาเห็นความจริงของรูปนาม มันคิดแต่จะบังคับรูปนามเพ่งรูปนามเพง่เพ ง, เพงรูปเพ่งนามเพ่งลูกเดียวไม่ใช่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นสําคัญนะอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องคอยควบคุมบางวันจิตตามรู้กายตามรู้ใจมากๆเข้าจิตกระจายกระจายออกไปต้องเพิ่มสมถะแล้วต้องเพิ่มความสงบให้ใจตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้คร้านต้องไล่อีกแล้ว ให้มารู้กายมารู้ใจเวลาทำกรรมาฐานก็คล้ายๆเราขับรถยนต์นะบางเวลาก็เหยียบเบรกทำสมถะบางเวลาเหยียบคันเร่งเจริญปัญญารถมันถึงจะไปถึงที่หมายได้ฉะนั้นเราคอยดูนะคอยดูกายคอยดูใจไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูหลายคนทำมาหลายปีไม่ได้ผลหลวงพ่อยกตัวอย่างนะอย่างตอนนี้ฝึกพองยุบเยอะฝึกพองยุบแล้วเห็นท้องพองท้องยุบ ถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตเราจะไหลไปตั้งอยู่ที่ท้องจิตไปตั้งมั่นที่ท้องเรียกว่าตั้งแช่ไม่ใช่ตั้งมั่นมันไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์จิตตั้งมั่นมันจะอยู่ต่างหากจากอารมณ์มันจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นของถูกดูจิตอยู่ต่างหากต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อน <Y out ube> ฉะนั้นก่อนที่จะเกิดวิปัสสนาญาณญาณตัวแรกเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณ น, นามรูปปริเฉทญาณคือแยกรูปกับนาม เห็นเลยเห็นท้องมันพองท้องมันยุบไปใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่ใช่ใจถลำไปอยู่ที่ท้องนะดูลมหายใจก็ถลำไปที่ลมหายใจขยับมือทําจังหวะก็ไปเพ่งใส่มือจิตไหลไปอยู่ที่มือเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูอริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยอันนั้นเรียกจิตไม่ตั้งมั่นจิตถลำลงไปตั้งแช่ในอารมณ์ จิตต้องตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ศักว่ารู้อารมณ์อยู่ตั้งหากจากอารมณ์นี่เป็นอันหนึ่งไหลเข้าไปรวมแช่กับอารมณ์เป็นอีกอันหนึ่งพวกเราส่วนมากจิตไหลไปแช่กับอารมณ์ไม่มีปัญญาจริงหรอกเกิดปัญญาไม่ได้มันแช่ไปด้วยกันยกตัวอย่างให้ฟังนะคล้ายๆกับเรายือนอยู่บนบกริมคลองริมแม่น้าเราอยู่บนบกเราไม่ได้ตกน้า เราจะเห็นเลยในน้ําเดี๋ยวก็มีอันโน้นลอยมามีอันนี้ลอยมาเดี๋ยวก็ผักตบลอยมาเดี๋ยวท่อนไม้ลอยมาเดี๋ยวหมาเน่าลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปเพราะว่าเราอยู่บนบกแต่ถ้าเราตกลงในน้ําเราลอยไปกับมันเราก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นเห็นมันอยู่ทั้งวันดูท้องก็เห็นท้องมันอยู่ทั้งวันนั่นแหละมันลอยไปด้วยกันฉะนั้นต้องเป็นคนดูอยู่ตั้งหากอย่างสายอภิธรรมอาจารย์แนบชอบสอนต้องเป็นคนดูละครนะ เป็นคนดูละครอยากกระโดดเข้าไปในเวทีละครถ้าพูดสมัยใหม่คนรุ่นเราชอบดูฟุตบอลเราต้องดูฟุตบอลอยู่บนอัธจันทร์นะอย่าไปดูฟุตบอลอยู่กลางสนามฟุตบอลเดี๋ยวถูกเขา้าเตะเอาถูกกิเลสเตะเอาฉะนั้นเราต้องดูอยู่ห่างๆนี่เรียกว่าเราตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ห่างๆไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมันเป็นกลางในการรู้จิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลตั้งมั่น ค, คล่องแคล่วว่องไวไม่ไหลเข้าไป นี่อย่างนี้จิตใจจึงจะมีปัญญาจริงเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเพราะจิตไม่หลงตามไปจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าไหลคู่กันไปมันคือการเพ่งมันจะแนบอยู่ที่อันเดียวคือการเพ่งได้แต่สมถะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูทางวัดป่าจะเรียกจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาเป็นคนดูเป็นคนดูกายดูเวทนาดูกุศลอกุศล ก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกุศลเห็นอกุศลล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ปัญญาถึงจะเกิดฉะนั้นสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นในกายในใจสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการไปรู้อารมณ์ไม่ถลําลงไป ปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่สติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันอย่างนี้ถึงจะเกิดมากเกิดผลได้ทำไมเกิดมากเกิดผลได้เพราะว่ามีปัญญาแก่รอบแล้วมีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมานะศีล ส, สมาธิปัญญาพร้อมมูลขึ้นมาอริยมรรคถึงจะเกิดตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งน้อยกระพ่องกระแพงไม่เกิดหรอกเพราะมันต้องมีสติ รู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นนะถึงจะเห็นความจริงของกายของใจฟังเหมือนยากนะแต่ง่าย